ปิดทีจักหมุนไปข้างหลัง252ิภิกษุจงใจจะทำน้าอสิจิสีเหลืองให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้าอสิจิสีเขียวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจจะทำน้าอสิจิสีแดงให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้าอสจิสีเขียวเคลื่อนจงใจจะทำน้าอสจิสีขาวให้เคลื่อน พยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเขียวเคลื่อนจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนเปรียงให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเขียวเคลื่อนจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนน้ำท่าให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเขียวเคลื่อนจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเขียวเคลื่อน จงใจจะทำน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสุจิสีเขียวเคลื่อนจงใจจะทำน้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสุจิสีเขียวเคลื่อนจงใจจะทำนิำน้เ า, ยาอตสิสีเขียวเคลื่อนจงใจจะทำน้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสุจิสีเขียวเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษพระบาลีรอบที่หนึ่งแห่งปิติจักจบ 253ภิกษุจงใจจะทำน้ำอสจิสีแดงให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเหลืองเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจจะทำน้ำอสจิสีขาวน้ำอสจิสีเหมือนเปรียนน้ำอสจิสีเหมือนน้ำท่าน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันน้ำอสจิสีเหมือนนมสดน้ำอสจิสีเหมือนนมส้ม น้ำอสจิสีเมือนในใสพิกสุตจงใจจะทำน้ำอสจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเหลืองเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษพระบาลีรอบที่สองแห่งปิธิจักรจบ254พยายาิกสุตจงใจจะทำน้ำอสจิสีขาวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีแดงเคลื่อน ต้องอบัตสังฆาทิเศตพิกษุจงใจจะทําน้ําอสุจิสีเหมือนเปลียงน้ําอสจิสีเหมือนน้าผ้าน้ําอสุจิสีเหมือนน้ํามันน้ําอสจิสีเหมือนนมสดน้ําอสุจิสีเหมือนนมส้มน้ําอสจิสีเหมือนเนยใสน้ําอสุจิสีเขียวจงใจจะทําน้ําอสจิสีเหลืองให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอสุจิสีแดงเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศต พระบาดีรอบที่สมแห่งปิิจักรจบ255ภิกษุจงใจจะทำน้ําอสจิสีเหมือนเปลียงให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอสจิสีขาวเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศตภิกษุจงใจจะทำน้ําอสจิสีเหมือนน้ำท่าน้าอสจิสีเหมือนน้ํามันน้าอสจิสีเหมือนนมสดน้าอสจิสีเหมือนนมส้ม น้ำอสจิสีเหมือนเนยใสน้ำอสจิสีเขียวน้ำอสจิสีเหลืองจงใจจะทำน้ำอสจิสีแดงให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีขาวเคลื่อนต้องอบัดสังคาทิเศตพระบาลีรอบที่สี่แห่งปิธิจักจบ256ภิกพิกจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนน้าท่าให้เคลื่อนพยายามอยู่ แต่น้ำอสจิสีเหมือนเปรียงเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศษภิกษุจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันน้ำอสจิสีเหมือนนมสดน้ำอสจิสีเหมือนนมส้มน้ำอสจิสีเหมือนในใสน้ำอสจิสีเขียวน้ำอสจิสีเหลืองน้ำอสจิสีแดงจงใจจะทำน้ำอสจิสีขาวให้เคลื่อนพยายามอยู่ แต่น้ำอสจิสีเหมือนเปลียงเคลื่อนต้องอาบัดสังฆาทิเศษพระบาลีรอบที่หแห่งปิติจักรจบ257ภิกษุจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอสจิสีเหมือนน้ำผ้าเคลื่อนต้องอาบัดสังฆาทิเศษภิกษุจงใจจะทำน้ำอสจิสีเหมือนนมสดน้ำอสจิสีเหมือนนมส้ม น้ำอสุจิสีเหมือนเนยใสน้ำอสุจิสีเขียวน้ำอสุจิสีเหลืองน้ำอสุจิสีแดงน้ำอสุจิสีขาวจงใจจะทําน้ําอสุจิสีเหมือนเปรี่ยนให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอสุจิสีเหมือนน้ำท่าเคลื่อนต้องอาบายสังขาธิเสดพระบาดีรอบที่6แห่งปิติจักจบสองร้บแปด ภิกษุจงใจจะทำน้ำอจิสีเหมือนนมสดให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอจิสีเหมือนน้ำมันเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศตภิกษุจงใจจะทำน้ำอจิสีเหมือนนมส้มสีเหมือนในใสสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีเหมือนเปลียงสีเหมือนน้ำท่าให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอจิสีเหมือนน้ำมันเคลื่อนต้องอบัตสังฆาธิเศต พระบาลีรอบที่7แห่งปิธิจักรจบสองริกษุจงใจจะทําน้ําอชจิสีเหมือนนมส้มให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ําอชจิสีเหมือนนมสดเคลื่อนต้องอบัตสังคาธิเศตภิกษุจงใจจะทําน้ําอชิจิสีเหมือนเนยใสน้ําอชจิสีเขียวน้ําอชิจิสีเหลืองน้ําอชจิสีแดงน้ําอชจิสีขาว น้ำอชิจิสีเหมือนเปลียงน้ำอชจิสีเหมือนน้ำท่าจงใจจะทำน้ำอชจิสีเหมือนน้ำมันให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้ำอชจิสีเหมือนนมสดเคลื่อนต้องอบัตสังคาทิเศตพระบาลีรอบที่8แห่งปิติจักจบ260ภิกษุจงใจจะทำน้ำอชจิสีเหมือนเนยใสให้เคลื่อนพยายามอยู่ แต่น้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจจะทำน้ำอสิจิสีเขียวน้ำอสิจิสีเหลืองน้ำอสุจิสีแดงน้ำอสิจิสีขาวน้ำอสิจิสีเหมือนเปรียงน้ำอสุจิสีเหมือนน้ำท่าน้ำอสิจิสีเหมือนน้ำมันจงใจจะทำน้ำอสุจิสีเหมือนนมสดให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่ soul, น้ำอสุจิสีเหมือนนมส้มเคลื่อน ต้องอบัตสังฆาทิเศษพระบาลีรอบที่9แห่งพิธีจักรจกสิบเอ็ดิกษุจงใจจะทําน้าําอสิจิสีเขียวให้เคลื่อนพยายามอยู่แต่น้าําอสุจิสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจจะทําน้าําอสุจิสีเหลืองน้าําอสิจิสีแดงน้าําอสุจิสีขาวน้าําอสุจิสีเหมือนเปรียง